พ, พระขนอาตมาเรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าว่าส่วนที่ยากที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือความคิดในช่วงตน้ตนๆของการบวชเป็นพระในภาคอีสาน หลวงพ่อชากำลังก่อสร้างโบสถ์ใหม่และพวกพระเราหลายองค์กำลังช่วยท่านทางงานหลวงพ่อมักจะทดสอบพวกเราโดยกล่าวว่าพระต้องทำงานหนักทั้งวันเพื่อเบสซี่เพียงขวดหรือสองขวดเท่านั้นซึ่งถูกซะยิ่งกว่าถูกสำหรับวัดถ้าเทียบกับการจ้างแรงงานจากในเมืองอาตมาคิดเล่นๆว่า น่าจะตั้งสาภาพแรงงานพระผู้น้อยเราสร้างโบสถ์บนเนินที่พระช่วยกันถมขึ้นเสร็จแล้วยังมีดินเหลืออยู่บนเนินอีกมากหลวงพ่อจึงเรียกพระมาพร้อมกันเพื่อสั่งว่าท่านต้องการให้ขนดินที่เหลือไปไว้ด้านหลัง 3วันต่อจากนั้นตั้งแต่สิบโมงเช้าจนมืดค่าเราต้องตักดินจำนวนมหึมาผลใส่รถเข็นไปเทลงตรงที่ที่หลวงพ่อกาหนดอาตมารู้สึกดีใจเมื่องานเสร็จสิ้นลงวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจะไปเยี่ยมวัดอื่นสองสาวัน หลังจากที่ท่านไปแล้วรองเจ้า อ, อว่าเรียกพวกพระมาพร้อมกันและบอกว่าดินไปอยู่ผิดที่และต้องย้ายใหม่อาตมารู้สึกไม่พอใจแต่ก็ยังสามารถคมระงับจิตใจที่กำลังบ่นคร่ำครวญไว้ได้ ขณะที่พวกเราทำงานอย่างหนักอีกสามวันในความร้อนอบอ้าวหลวงพ่อกลับมาเมื่อพวกเราเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการขนย้ายกองดินเมื่อมารอบที่สองท่านเรียกพวกพระมาพร้อมกันและถามว่าทำไมคุณถึงย้ายดินไปที่นั่นล่ะผมบอกให้คุณขนมันไปไว้อีกจุดต่างหาก เอา้าปยญามันกลับซะอาตามากรอดสุดๆพระผู้ใหญ่จะตกลงกันเองให้แน่ก่อนไม่ได้หรือไงพุทธศาสนาน่าจะเป็นศาสนาที่มีระบบแต่วัดนี้ช่างยุ่งเหยิงสับสนจนยังไม่รู้แม้แต่ว่าจะเอากองดินนี่ไปไว้ที่ไหนแน่พวกท่านไม่น่าจะทำอย่างนี้กับพวกเราเลย ภาพวันเวลาที่เหนื่อยยากยาวนานอีกสามวันปรากฏอยู่เบื้องหน้าอาตมาขณะที่อาตมาเข็นรถเข็นที่หนักอึ้งอาตมาสบทเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่พระไทยจะได้ฟังไม่เข้าใจมันเกินไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะต้องทำไปถึงไหนกันและแล้ว อาตมาก็เริ่มสังเกตว่ายิ่งอาตมากโกรธมากขึ้นเท่าไรรถเชนก็ดูจะหนักมากขึ้นเท่านั้นเพื่อนพระองค์หนึ่งเห็นอาตมาบนพึมจึงเข้ามาหาและบอกอาตมาว่าปัญหาท่านคือคิดมาก ท่านพูดถูกทันทีที่อาตมาหยุดบ่นคร่ำครวญอาตมาก็รู้สึกได้ว่ารถเข็นเบาลงมากอาตมาได้บทเรียนการคิดเรื่องขนดินเป็นส่วนที่ยากและหนักหนาที่สุดการขนดินจริงๆนะมันง่ายมาถึงวันนี้ อาตมาสงสัยว่าหลวงพ่อและผู้ช่วยของท่านวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นแน่